มียอมกลุ่มหนึ่งมาเที่ยววัดนะแล้วก็ถือโอกาสมาพบแล้วก็สนทนากับอาตมาก็คุยกันได้สักพักนะก่อนที่จะกลับก็มีคนหนึ่งในคณะเนี่ยบอกว่าขอพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนหน่อยนะเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติการใช้ชีวิตอาตมาก็บอกว่าเนี่ยก็ขอให้มีสติต่อเนื่องนะ คนที่ถามเนี่ยก็อึ้งไปสักพักนะแล้วก็พูดมาว่าเนี่ยแค่เนียงเหรอแค่เนียงเหรออาจมาก็เลยเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยยให้ฟังหลวงปู่ดู่นี่ก็เป็นมีเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะก็มีคราวหนึ่งนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงปู่ว่าเนี่ยหลวงปู่ ขอธรรมะสั้นๆในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อะเกษาสามตัวคือรภบกอดหลงจะทำได้อย่างไรหลวงปู่พูดเสียงตังฟังชัดนะว่าสติคแค่คำเดียวนะโนยมหลายคนก็คงจะงงนะาแค่คำเดียเองเหรออ้อาวก็ ขอธรรมะสั้นๆเนี่ยธรรมะสั้นๆเนี่ยที่เรียกว่าเป็นธรรมะสำคัญเนี่ยที่จะช่วยลดล ะ, ะกิเลสสตัวคือโลภโกรธหลงได้เนี่ยก็คือสติแต่หลายค น, นพอฟังเช่นนี้ก็รู้สึกว่าไม่จุใจเท่าไหร่นะหรือไม่คิดว่าเนี่ย สติเนี่ยมันจะมีความสำคัญขนาดนั้นเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยตั้งแต่เล็กนะก็รู้จักหรือได้ยินคำว่าสติในการที่รู้จักตั้งแต่เล็กมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็คือว่าได้มีโอกาสรู้จักกับธรรมที่สำคัญที่ผู้พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก แต่ข้อเสียคือว่าเรารู้สึกชินชานะกับคำว่าสติจนไม่เห็นความสำคัญก็คิดว่าเป็นยากปากคอกนะเวลาพูดเรื่องเจริญสติเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรแต่เวลาเราพูดกับชาวต่างชาตินะพูดถึงคำว่า mindfulness เนี่ย เขาจะสนใจมากเลยอย่างนี้คำว่า mindfulness เนี่ยนะเป็นเป็นคำที่ฝรั่งโดยเพราะที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเพราะอะไรส่วนเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามันเป็นเรื่องใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่า ห้าสิบหกสิบปีก่อนเนี่ยคำว่า mindfulness เนี่ยมันฝรั่งไม่รู้จักเลยแต่ตอนนี้นี่มันกลายเป็นคนที่มันกลายเป็นคำที่ฝรั่งเนี่ยได้ยินมากขึ้นแล้วก็ได้ยินมาพร้อมๆกับความสำคัญของ mindfulness เสื่อคือสตินั่นแหละช่นช่วยบรรเทาความเครียด ช่วยรักษาโรคหลายชนิดโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นโรคซึมเศร้าแม้ก็ทั้งช่วยบรรเทาความปวดโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาในนิฟรังเนี่ยจำนวนมากนยมีปัญหาเรื่องความปวดแล้วก็พึ่งยายานี้ยาบรรเทาปวดนี่ขายดีเลยนะ จนทั้งกายเป็นติดยาไปเลยก็้วงทีติดอย่างหนักเลยนะเพราะว่าใช้ยาแบบไม่บัญญับัญญังแทนที่จะปรับพฤติกรรมชเช่นปวดหลังปวดเอวปวดไหลถ้าหารู้จักปรับพฤติกรรมออกกำลังกายมันก็ช่วยได้แต่ว่า มันใช้เวลาบางคนเรานี้ก็เลยหันไปพึ่งยาพอพึ่งยาแล้วมันก็เลยกลายเป็นติดพอจะถอนออกมานี่ก็มีปัญหาว่าจะถอนได้ไงขณะเดียวกันก็กลัวเรื่องความปวดแต่ตอนหลังเขาว่าเนี่ยถ้าเจริญสติเนี่ยไม่ต้องเจริญสติแบบนักปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้เพามันช่วยได้เยอะรวมทั้งช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้า ผู่ายสารพับพรประโยชน์มากเลยทั้งในแง่ของการบรรเทาความปวดหรือว่าบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ช่วยทำให้ความเครียดลดลงซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ของคนสมัยนี้ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเพราะเดี๋ยวนี้ครัว่า mindfulness เนี่ยมันก็เลยเป็นคำที่ฝรั่งเนี่ยสนใจมากในที่คนไทยเรา พอ d e f i n i n ว่าสติก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญคนที่มาวัดแล้วก็อยากจะได้ธรรมะที่มันเจ๋งๆจากครูบาอาจารย์หรือจากจากออตมาเนี่ยพอ d e f i n i n ว่าสติเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแค่เนียงเลยทจริงๆมันสําคัญนะสติเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นธรรมะธรรมดาจัดว่าเป็น หัวใจของพุทธศาสนาเลยทีเดียวการเจริญสตินี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นหัวใจกรรมฐานสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นหัวใจกรรมฐานทีเดียวกรรมฐาน4ี่เนี่ ย, ยหัวใจก็คือสติปัฏฐานสเมื่อสัก80กว่าปีก่อนนะพระสงฆ์ชั้นระดับราชาคณะแล้วก็ ซึ่งล้วนจบนะประียนชั้นสูงนะประโยคนก้าวไเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระที่เป็นพระราชาคณะชั้นสูงเนี่ยจำนวนมากนีก็จะมีความรู้ทางด้านประยติศาประยติศึกษานี่สูงมากยิ่งจะเป็นระดับสมเด็จหรือสังฆราชแล้วเนี่ยก็จะมี ปเปลี่ยนธรรมสูงทีเดียวสมัยนั้นมีสังคายนายกด้วยสังคายนายกตอนนั้นคือสเมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็มีการประชุมกันนะเกี่ยวเรื่องหัวใจพุทธศาสนานนคือฝ่ายราชบัณฑิตนักปราดเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยก็ ประชุมเพื่อที่จะมาลงความเห็นว่าอะไรคือหัวใจของพุทธศาสนาจะได้มีนโยบายไปในทางเดียวกันคือการส่งเสริมการศึกษาให้กับพระสงฆ์แล้ก็ชาวพุทธในการประชุมครั้งนั้นก็บังเอิญนะพระอาจารย์สิงคันตยาคโมโมนี้ ก็ได้เข้าไปประชุมด้วยที่จริงท่านเป็นพระผู้น้อยนะในแง่ของสมณศักดิ์แต่ว่าท่านได้รับความนับถือจากสเมเด็จพระหมหาเวโรวงซึ่งแต่เดินเนี่ยก็รังเกียจ ด, ดูแคลนพระป่าอยู่เพราะสายจันมั่นเห็นว่าเป็นพระจรจัดไม่อยู่ประจำที่การศึกษาก็ไม่เอาเอาแต่เดิน การที่เข้าไปในป่าไม่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ก่อนท่านก็ไม่คยเห็นคุณค่าของกรรมฐานเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องของปริยัติศึกษาแต่ตอนหลงท่านมาสนใจกรรมฐานเพราะว่าท่านป่วยนะแล้วก็พอได้เรียนกรรมฐานนะอยากรู้สิกิหลวงปู่ ม, มั่นเช่นพระอาจารย์ฟั่น รอาจารย์หลีธรรมธโรเนี่ยก็เกิดสนใจเกิดศรัทธาในการเจริญสมาธิภาวนาท่านก็ถึงออกปากว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี้ยังไม่เคยรู้เลยนะว่าสมาธิภาวนามีคุณค่าถึงเพียงนี้นี่ขณะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะจบประโยคหแล้วมั้งแล้วก็เป็นพระราชาคณะดูแลบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ เพิ่อมาออกป่ากย่หงนคุณข้ามสมาธิพอานาก็ตอนที่เรียกว่าอยู่วัยชลาแล้วตอนหลังจากเดิมที่ไม่มีศรัทธาเลยนะในพระป่าสารจันมั่นเนี่ยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็เลยเคารพพระอาจารย์สิงห์นะเพราะว่าท่านเป็นสหายธรรมแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนสาคัญนะของพระอาจารย์มั่นนะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ ก็เลยพอมีการประชุมที่ว่าเนี่ยนะซึ่งเขาจว่าจัดโดยโซเดชพระหมายเวรวงศ์นะซึ่งเป็นสังฆนายกตอนนั้นเวลานนขนคณะสงมีสังฆนายกด้วยนะไม่ใช่มีแค่เฉพาะสังฆราชพระย่งสียก็เพินติดเข้าไปนะร่วมประชุมด้วยและพอเห็นพระอาวุโสหลายท่านคุยกันถกเถียงกันไม่ลงในเรื่องของหัวใจพุทธศาสนา พระอาจารย์สิงห์ก็เลยแสดงความเห็นว่าเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยแท้จริงก็คือสตินั่นเองทาจารย์อธิบายคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติจะทำอะไรได้จะทำความดีจะทำบุญกุศลดิกเว้นความชั่วรวมช่างทำใจใเบิกบานได้เนี่ยไม่ต้องมีสติกำกับใจซื้อก่อนด้วยนี่ก็ผมจึงเห็นว่าเนี่ย หัวใจ พ, พุทธศาสนาก็คือสติบอกว่าที่ประชุมก็ใช่ไห ว, ว่าหลายท่านก็ตะลึงเลยนะครแต่ว่าที่พระอาจารย์สาวพระอาจารย์สิงห์พูดนี่มันก็จริงนะเพราะว่าท่านพูดจากประสบการณ์การภาวนาอ่นั้นถ้าควกเราเนี่ยมีสตินะ มันก็ทำให้เราอย่างน้อยๆเนี่ยนะก็มีทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกนะถ้าหากว่าช่วิคนเราเนี่ยจิตใจคนเรามันกับรถเนี่ยนะสติก็เป็นทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกธรรมะส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาเนี่ยมักจะมีคุณสมบัติแค่ประการใดประการหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เป็นตัวเร่งตัวกระตุ้น ก็เป็นตัวเบรคนะอย่างเช่นวิริยะเนี่ยวิริยะหรือว่าศรัทธาเนี่ยนะก็เป็นตัวเร่งได้ส่วนเบรคนี่ก็เป็นสมาธิหรือว่าขันติแต่ว่าสติเนี่ยมีคุณสมบัติสองประการ ในเวลาเดียวกันหรือพร้อมๆกันเช่นเวลาเราเกียดคราสเราเบื่อนายถ้ามีสติมีนทำให้เราเกิดความขยันทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเช้ามืดนาานนเนี่ยอากาศหนาวๆเนี่ยไม่อยากจะตื่นเลยเนยเพราะว่าถูกความง่วงครอบงำเนี่ยหรือความเกียดคราสครอบงำเนี่ย สติมทำให้ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็แสดงแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงหรือว่าเวลาเพลินในความสุขจนไม่อยากจะทำความเพียนหรือว่าเกิดความประมาทสติ Steam ก็ทำให้เกิดความเพียนขึ้นมา แต่ในรายการเนี่ยเวลามันเกิดอาการผุนผันเช่นคนที่มีความโกรธหรือมีความโลภเนี่ยนะมันจะมีอาการหน้ามืดนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรไปลักขโมยเข้าหรือว่าหลุดปากด่าแต่พอมีสติให้มันยั้งเลยนะอันนี้เราเป็นเป็นเป็นเบรกยั้งไม่ให้พูดหลุดปากออกไปยั้งไม่ให ทำในสิ่งที่ไม่สมควรยี่งขนาดสติธรรมดานะไม่จริงถ้าเป็นสติปัทาหรือว่าสัมมาสติเนี่ยโอ้ยยิ่งมีอ น, นิสงส์หรือมีอนุภาพมากกว่านั้นเสื่อนะเพราะว่ามันนำให้กิเลสเนี่ย ครอบงำได้ยากคือไม่ใช่ว่าพอโกรธแล้วก็ใช้สติเพื่อรังงคำพูดและการกระทําไม่ให้ก่อปัญหาแต่ในระดับจิตใจเนี่ยเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นถ้ามีสตินะอารมณ์เหล่านี้มันก็ครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันทำให้เกิดการรู้ทัน เกิดการรู้ทันไม่เข้าไปทําให้จิตไม่เข้าไปยึดหรือว่าจิตเนี้ยไม่หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นมันช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลที่จริงก็รวมถึงแม้ว่าอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบเนี้ยเข้ามาครอบงําใจดีใจก็ไม่ใช่ดีใจจนลืมตัว คันเสียใจก็ก็ไม่ได้หมดเนื้อหมดตัวเพราะมีสติรู้ทันอารมณ์นั้นล้วไม่ใช่แค่รู้ทันอย่างเดียวนะก็ยังทำให้เราเห็นเห็นอาการของจิตและไม่ใช่เห็นอาการของจิตเท่านั้นแต่เห็นธรรมชาติของใจด้วยจนกระทั่งรู้เลยว่า จิตหรือใจนี่มันก็ไม่ใช่เรากายนี้รูปนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ตรงนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญญาญานนะซึ่งก็จะเกิดได้ก็เพราะมีสตินะเพราะสติเนี่ยเหมือนกับตาใ น, นที่ทําให้เห็นความจริงความจริงที่เห็นกระจ่างชัด ก, ก็เรียกว่าปัญญานะมันไม่ใช่เกิดจากการคิด แต่แม้จะคิดนะถ้าจะคิดให้ทะลุ ป, ปู่โปร่งเนี่ยมันก็ต้องกระัยสติไม่งั้นก็จิตก็วักแวกนะไม่มีความตั้งมั่นหรสมาธิแต่สติเนี่ยมันไม่ใช่แค่กํากับจิตให้คิดได้ทะลุ ป, ปู่โปร่งนะั้นแต่ยังสามารถที่จะทําให้เห็นนะความจริงของกายและใจเลย ซึ่งในสุดก็ทำให้เกิดปัญญาที่ช่วยพาจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าไม่มีความยึดติดถือมัน่นอย่างสติเนี่ยจึงเป็นธรรมที่สำคัญมากแต่ท้านาที่หลายคนบอกว่าสตินี่มันยากปากคล้องนะแต่พอเอาไปปฏิบัติเนี่ยหลายคนจะบอกว่ามันยากก็แปลกนะ ตอนที่ได้ยินได้ฟัใหมายเนี่ยรูสกว่ามันไม่เห็นสำคัญอะไรเลยนะแค่นียงหรือสติแต่พอไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเช่นปฏิบัติให้มีสติต่อนเนื่องจะรู้ว่ามันยากและที่ยากนี่ก็เพราะว่าไม่รู้จักสตินั่นเองไม่เข้าใจคาว่าสติเพราะว่าพอเจริญสติก็ไปตั้งใจไปบังคับจิตไปบังคับจิตให้มันนิ่งให้มันสงบ ไปคิดว่านั่ น, นะคือการเจริญสติหรือว่าไปคิดว่าเนี่ยถ้าจะเจริญสติได้นี่มันต้องบังคับจิตให้มันหยุดคิดห้ามคิดที่ยังไม่ใช่เลยนะสติแม้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะถือว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่ามันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามากเลยนะเวลาลงมือปฏิบัติเพราะว่า ไม่ต้องบังคับจิตให้นิ่งไม่ต้องฝึกจิตให้สงบนะการเจริญสติไม่ได้เรียกร้องเราอย่างนั้นจิตจะมีอาการอย่างไรสงบหรือฟุ้งนิ่งหรือส่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการฝึกสติคือการเพียงแค่ดูรับรู้อาการของใจที่เกิดขึ้น นะลองคิดดูนะระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบกับการที่ดูนะเห็นจิตที่ไม่สงบเห็นจิตที่ไม่นิ่งเนี่ยอะไรที่มันง่ายกว่ากันและอะไรที่มันยากกว่ากันการฝึกจิตให้นิ่งการบังคับจิตให้สงบนี่มันยากนะ แต่ว่าการที่เห็นรับรู้อาการของจิตเมื่อมันไม่สงบเมื่อมันฟุง้งเมื่อมันไม่นิ่งเนี่ยอันนี้ง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องทําอะไรกับจิตก็แค่ดูรับรู้อาการของมันอย่างที่มันเป็นแค่นั้นเองเมื่อที่หลายคนบอกว่าทำแล้วยากทำแล้วยากเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจการเจริญสติ คิดแต่จะบังคับจิตให้มันนิ่งเพราะอะไรเพราะปรารถนาความสงบจริงๆงั้นมันเป็นงานของสมาธิมากกว่าแต่ว่าสตินเนี่ยนะไม่ได้เรียกร้องว่าจุดหมายคือความสงบมันไม่สงบ ก, ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรมันฟุ้งก็ไม่เป็นไรมันจะชอบไปโน่นไปนี่ก็ไม่เป็นไร สิ่งสำคัญคือว่าแค่เห็นมันอย่างที่มันเป็นหรืออย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คาว่าก็แ ค, ค, ค่มันกลับมามันไปก็ช่างมันแต่ก็ให้มันกลับมากลับมาอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่ที่กายกลับมาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองหลวงพ่อคำเขียนนั่นบอกว่าเนี่ยะครใช้คาว่าเก่งมันเก่งตรงที่กลับมา อย่าไปวัดว่าเก่งตรงที่ไม่ไปคนหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลก้าวหน้ามันต้องไม่ไปมันต้องแปลคือจิตต้องไม่ออกไปไม่หลออกไปจากนิมิตจากอารมณ์กรรมฐานแต่ไม่ใช่เลยนะสิ่งสำคัญอยู่ตรงที่ว่มันกลับมามากกว่าแ้วถ้ามีสติที่ไวเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วเพราะว่า พอมันเผลอไปแล้วรู้ทันขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ากำลังเผลอคิดนะขณะที่กำลังสวดมน์เผลอคิดไปใจลอยไปขณะที่ฟังคำบรรยายเผลอคิดไปใจลอยขณะที่อาบน้าเผลอคิดไปใจลอยขณะที่กินข้าวกลับมากลับมาที่กายรับรู้ว่ากำลังถูฟันกำลังอาบน้าหรือว่ากลับมาที่ กิจที่กำลังทําอยู่เช่นสวดมนต์ฟังคําบรรยายอันนี้ต่างหากนะั้นที่สําคัญกว่าซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันมีสติรู้ทันรู้ว่าใจไหลใจลอยไปแล้วหรือว่าใจจมแล้วจมคืออะไรจมคือเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์หรือถูกอารมณ์มันฉุดเข้าไป เนี่ยจริงๆเนี่ยสติมันมันไม่ได้เป็นญาปากข้ออย่างที่ใครๆเข้าใจมันสำคัญมากทีเดียวมันสำคัญอย่างที่เรานื้อไม่ถึงอย่าที่เราทุกข์กันทุกวันเนี่ยทุกข์ใจกลัดกลุ้มใจนะถูกความจมอยู่ในความเศร้าวความโกรธเครียดวิตกกังวลเนี่ยก็เพราะ ไม่มีสติทั้งนั้นเลยแล้วที่เราเผลอทำชั่วาการกระทำคำพูดสร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นนี่ก็เพราะขาดสติทั้งนั้นเลยแต่ทั้งน่านที่สติมีความสำคัญเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยการจนสติไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราไม่ต้องบังคับจิต ไม่ต้องพยายามผูกจิตให้นิ่งอันนี้ให้จิตเนี่ยเป็นอิสระก็แค่ดูมันเฉยเฉนและยิ่งกว่านั้นนะการเจริญสติไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องมาเข้าวัดต้องมาเข้าคอร์สเพราะว่าเราทําได้ทุกเวลาตามใจที่ยังมีลมหายใจตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันก็เจริญสติได้ ทำครัวหั่นผักก็เจริญสติได้แม้แต่กินข้าวก็เจริญสติได้ข้าห้องน้ําอุจจาระปัสสาวะก็เจริญสติท้องขาวศึกตัวได้มันทําได้ทั้งวันไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัติเลยก็ได้แต่ถ้าจะปฏิบัติในรูปแบบก็ช่วยนะเพราะมันช่วยทําให้ใจที่ไม่มีที่ตั้งเนี่ย หาที่ตั้งได้ง่ายก็คือมือที่เคลื่อนไหวเท้าหรือตัวที่ขยื่นขยับหรือลมหายใจที่เข้าแล้วออกเพ้าเราอยากไม่ไม่ใช่แค่ทำอะไรเท่านั้นนะที่สามารถใช้ในการเจริญสติได้เจออะไรก็เป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติได้เจอเสียงดังเจอกลิ่นเหม็นเจอคนต่อว่า เจอใครทำไม่ดีก็ใช้เป็นอุปกรณ์หรือโอกาสในการฝึกสติได้ก็คือรักษาใจไม่ให้กระเพื่อมอะไรมากระทบใจไม่ก็ไม่กระเทือนหรือถึงกระเทือนก็ให้ก็รู้ไม่ใช่ว่าต้องไม่โกรธไม่ใช่ว่าต้องไม่เศร้าถึงเศร้าก็รู้ถึงโกรธ ก, ก็รู้แม้กระทั่งลืมสติเนี่ยเรารู้ว่าลืมสตินี่นะอันนี้ก็เท่ากับว่าได้ฝึกสติแล้ว หลงแล้วก็รู้ว่าหลงนี่ก็ถือว่าได้ฝึกสติหรือว่าได้สร้างความรู้สึกตัวแล้วแค่รู้ว่าลืมสติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสติครับอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะและแถมอนุสงฆ์นี่ก็ยังมีมากซะด้วยแต่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนะทั้งธรรมชาติของสติแล้วก็วิธีการก็เลยไม่เห็นค่า และคขั้นพอปฏิบัติเข้ก็แล้วส่วนมันยากงั้นทำความเข้าใจสติให้ดีนะแล้วสติก็จะช่วยรักษาใจของเราได้